อ่านางทำสบายเถไม่ต้องกดนมมือก็ได้ให้มันสบายลองลองสบายสักวันทําไมเราถึงจุดจุดเทียนเยอะแยะมากมายค้าจุดเพื่ออะไรจุดเทียนไปเพื่ออะไรบอกเป็นพิติกรรม แต่ว่าเทียนไฟฟ้านะมันไม่เห็นอะไรไมีแต่แสงสว่างแต่ถ้าเป็นเทียนอย่างนี้นเห็นละเห็นว่าพระประจุดเพื่ออะไรเมื่อกี้เรนประธานมาจุดโดยเทียนสองทำจริงๆต้องไปตั้งไปใกล้ตั้งกลางกลางทุกอย่างที่เราทำกิจกรรม หรือว่าพิธีกรรมที่เราทำโบราณอาจารย์ท่านคิดแล้วคิดอีกที่ากมีพิธีกรรมอย่างไม่ได้ทำสัง่งให้มาทรคือมันมีเหตุมีผลแล้วก็เป็นความจริงแต่เรามองเมเห็นมองเมเห็นเหตุมองเม่มเหนผลอย่างเทียนเนี่ยมันก็ยังอธิบา ย, ยาเหมือนคุณแม่เซมโมเซจือ ใช้เวลาอยในโลกนี้74ปีเกือบเท่าเก์เ ก, กิน75ปีโลกเกม75ปีเรามีวิธีชิดอย่างนี้เรานับเป็นพอสอตอนนี้มีพ่อสอ25น 2,566 นี่ก็เอาแค่จำนวนเต็มคือ100ปีเป็นหลักศตาวรร100ปีต่ปไปนับหนึ่ง น, นั้นพันปีก็สิบสองพันปีก็ยี่สิบสองพันห้าก็ยี่สิบห้าในหนึ่งร้อยปีมันก็เหลือกคเจ็ดสิบห้าในยุคนุษนะยุครุมันก็จะสั้นลงทั้นลงไปเรอยอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะนั้นโบราณอาจารย์ทาจารย์เต็อันนี้เอามาให้เราดูก็ะจาตรงกัน ที่เราคิดตัวนเนี่ยมนุษย์ทุกวันเนี่ยมันจะมีความสุขหรือความทุกข์ก็เพราะสามเรื่องถ้าใครจัดการสามเรื่องนี้ได้คนนั้นก็อยู่กัโลกนี้ได้ใครจัดการกับสามเรื่องวันนี้ไม่ได้คนนั้นก็อยู่กับโลกนี้ไม่ได้เดือ ย, ยากมกันกเป็นค่าตัวตายเรื่องที่หนึ่งก็คือความคิด ข้อสองคือคำพูดรือที่สามกับการกระทำสามเรื่องอันนี้ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของพวกเราอันนี้คือภาพรวมมันไม่เกี่ยวกับศาสนาที่เราพูดมันไม่เกี่ยวกับศาสนาถ้าศาสนาไรก็ตามที่ไม่จะสามาธีจัดการอันนี้อย่างเป็นระบบคือ ไม่ทันความคิดของตัวเองไม่ทันคำพูดของตัวเองไม่ทันการกระทําของตัวเองภาษาเราเรียกสิ่งนี้ว่ากรรมภาษาฝรั่งเรากำเหมือนกันแต่แต่ละความหมายดังนั้นกรรมมันเกิดสามทีเนะี้มาจากสามเรื่องเลยไม่ได้มากเลยถ้าใครควบคุมสามเรื่องอนะไรได้ก็ควบคุมกรรมได้ เราก็จะเข้าใจชีวิตก่อนที่ไปถึงตัว น, นั้นทําไมบางทีถ้าบอกว่าถามมาทําไมจุดเทียนเยอะแยะมากมายทั้งไบฟ้าทั้งของจริงของปองเราเห็นอะไรหรือยังคนข้างล่างอาจจะมองไม่เห็นเทียนแต่ท่านประธานกูมองมเห็น อ, อันนี้คือชีวิตคนชีวิตของคนคนหนึ่งมาอธิบาย ตั้งแต่ต้นจนจบมาอธิบายว่าเมื่ท่านประธานเริ่มจุดจเป็นมนุษย์ก็แปลว่าเกิดดวงชาติเปล่าเกิดแล้วพอเกิดเสร็จมนุษย์มันเข้าใจผิดคือคิดคือวิธีคิดคิดผิดว่าชีวิตจะยืนยาวท่านก็ะทำให้รู้ว่ามันไม่ได้ยาวเนหะมือนเทียนเทียนแล้วจุดเสร็จมันมันเพิ่มขึ้นไหม มันสั้นลงชีวิตเราเป็นอย่างนี้ทุกวันนั้ก็เป็นอย่างนี้ไม่ได้อะไรเพิ่มขึ้นยิ่งแต่ว่าที่มันหายไปก็คือเวลาเวลาที่เราได้มานันจะเรียกว่าอายุอายุที่เราได้มาที่เราเนะี่คือเวลาที่มันเสียไปแล้วที่เราได้มาหกสิบเจ็ดสิบก็แล้วแต่มันจบไปแล้วนะ สุดทจะได้จ ร, จริงๆเท่าไหร่ไม่รู้เทียนมันก็บอกแหละมันพยายามที่จะบอกไม่ใช่บอกธรรมดานะบอกทางน้ำตาเห็นด้วยนอน้ำตาเทียนสุดท้ายมันก็จะเป็นอย่างไงคือจะสั้นลงสั้นลงสั้นลงสุดท้ายคือดับเทียนเราใช้คําว่าดับแต่คนเแปลว่าตายความหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นผู้ให้มาันสั้นที่สุด ก็ใช้วิธีอย่างเนี้ยเพื่อเป็นปริศนาธรรมบอกพวกเราว่าอันนี้คือธรรมะแต่นี้ไม่อยู่ที่วิธีคิดคิดว่าดิชิดนี่คิดให้เป็นบุญหรือคิดเป็นบาปก็ได้พูดง่ายๆก็คือคิดได้ตัวเองสบายก็ได้คิดให้ตัเองทุกข์ก็ได้เพราะนั้นความทุกข์และความสุขเกิดจากวิธีคิดเกิดจากวิธีพูดเกิดจากวิธีกระทำของพวกเราเอง ไม่มีสิ่งใดในบนบรรดาเทวดาฟ้าในใดใดทั้งสิ้นอันนี้คือศาสนาเรานะศาสนาอื่นเขาไม่ว่ากันเทวดาศาสนาเราคือพุทธเจ้าพุทธเจ้ตาตรลักษณะการตรดของพรุทธเจ้ามีสามเรื่องใหญ่ๆที่เราควรจะคำนึงถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ยก็าใจหนาชัดเป็นเลยขึ้นหนึ่งพูดความจริงเป็นภาษาเรายัางไง สองพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์สามก็คือชักชวนให้เรามีเจตนามีความจงใจมีความตั้งใจประการแรกก็คือพูดความจริงลักษณะหรือว่าคุณสมบัติของผู้ดีเจ้าของเราจรินพูดอย่างไรทําอย่างนั้นทําอย่างไรพูดอย่างนั้นคุณสมบัติของผู้ดีเจ้าของเราเพราะฉะนั้น เราสามารถเอาเล็คุณสมบัติอย่างนี้เราจะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้พูดอย่างไรทันอย่างนั้นพูดอะไรพูดความจริงความจริงคืออะไรคือสัจจะสัจจะมันไม่ได้แปลว่าความซื่อสัตว์คือความจริงที่อยู่บนโลกอย่เช่นเกิดแก่เจ็บตายมันไม่ได้เกี่ยวกับศาสนามีทุกศาสนาแต่เพียงว่าใครจะเห็นเันใช่ไหมว่ามันเป็นความจริงคือสัจจะ มันเองแต่ถ้าใครไม่เห็นมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเขาเรียกว่าความจริงแต่ที่สำคัญคือถ้าเราไม่ยอมรับความจริงอย่างไม่อพอเราไม่อยู่วความจริงคือยอมรับความจริงไม่ได้ยอมรับความจริงไม่ได้แปลว่าอะไรเราก็อยู่กับความเท็จความไม่จริงสิงที่เราเหมือนเหมือพยับแดดหลอกตาลวงตา อย่ามายาชีวิตสิ่งนะั้นๆไม่ใช่ความจริงสถาผู้วิทยาตรัรสรู้อะไรจรัสรู้ความจริงเข้าใจเข้าใจความจริงนี่คือสิ่งที่แรกเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ใช่ความจริงพวกเราก็จะไปพูดอย่าไปนำอย่าปไปนี่ข้อแรกข้อสองคือความจริงนั้นมันเป็นประโยชน์ไหมหรือว่าอัตถะเป็นประโยชน์หมก็เป็นประโยชน์กับตัวเองไหมเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นไหม ประโยชน์ทันม้งภาษาอย่างคือประโยชน์ปัจจุบันโดยเฉนี้ประโยชน์ภายหน้าโรน่าและประโยชน์อย่างยิ่งก็คือหลังจากนั้นมันคุณแม่ตอนนี้ประโยชน์ปัจจุบันทันหมดไปแล้วในระยะทางเจ็ดสิบปีอันนี้ประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ภายหน้าไม่ใครรู้ประโยชน์อย่างยิ่งนั่นยิ่งหนัครับผมนี่คือประโยชน์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดพูดทํา สเรือ่องพวกี้ที่มีอิทธิพลอย่ดอกกรรมัมมันเป็นประโยชน์นะถ้ามันเป็นประโยชน์ก็พยายามที่จะลดพยายาให้มันน้อยลงพยายามที่มั น, นมีมันน้อยนี่แล้วต้องเป็นภาระแล้วประโยชน์สามก็คือพยายามแต่ละวันคือเจตนาคือจงใจเจนนะตนาเนาะจงใจอันนี้ภาษากฎหมายเขาก็ใช้อยแบบนี้ ภาษากรหมายก็บอกกรรมคือเจตนาอันนี้เป็นถอนพูดจากพจมาเลยพครูเจ้าบอกว่าพิจารทั้งหลายกรรมคือเจตนาเจตนาและคือกรรมถ้าไม่มีเจตนาจะไม่มีการกระทําำก็จะเป็นเรื่องความคิดคําพูดหรือนำสู่การกระทำํำไม่ ว, ว่าพฤติกรรมเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วสิ่งที่ตามมาก็คือพฤติกรรมที่เราทนะําเป็นเบื้องต้น ทุกคนบอกว่ามาังคตายกศาสนาพิธีกรมันก็บอกว่าตั้งใจว่าพระดับแรกคือเราจุดคือบูชาบารัตนาใจคือทุกเทียนบูชาบาราตนาใจนั่นก็แปลว่าให้ขาเราหนึ่งเป็นพระสถานะก็ให้เป็นพระสถานะของใจคนมันไม่เหมือนกันไม่เท่ากันไม่เท่ากั น, กนตรงไหนมันสูงต่ำไม่เท่ากัน เรานั่งอยู่ตรงนี้เราเรูได้ว่าใครคิดอะไรนั่นแหะคือสถานะถ้าคิดในขณานั้นไม่คิดเหมือนคนไม่คิดเหมือนมนุษย์ไม่ได้คิดเหมือนพระคาริบโภูมิหรือระดับตัว อ, อย่างอันนี้เราพาเราพาเสร็จเราวเส็จทุกอย่าง ร, รับสินทันที15ห้าข้อ ทำไมเราลองนึกภาพดูถ้าคนเรานะคนเราไม่มีสิ่งสักตัวมันเหมือนอะไรพอเราเรานึกลองนึกออกไหมที่เราเรียกเป็นคนคนรืมนุษย์เรียกเป็นพระต่อให้เป็นพระองแล้วเตือนถ้าสิ่งไม่มีสักคอเรียกได้ยังเป็นคนได้ไหมเรียกได้ยังเป็นมนุษย์ได้ไหม เรียกเป็นพระได้ไหมไม่ได้มันเป็นไม่ได้มนะันเป็นอะไรก็มือสองท้าสีเขามีหางมีเขาเป็นห ม, หมายถึงสภาวะจิตนะภาวะจิตในขนาะนั้นมันไม่ได้เป็นโคสัพูด ง, ง่ายคือมันเป็นสัตว์อันนี้คือสภาวะจิตเพราะนั้นผู้่ให้เราเนี่ย แตกต่างในว่าสูงกับเขาเหล่า น, นั้นแั้วจึเรียกว่าคนคนคือมีศินแต่ไม่ครบอาจจะได้ข้อสองข้อสามข้อไม่ครบห้าข้ออย่างนี้เรียกว่าเป็นคนน่ะคือแตกต่างเท่าเหล่า น, นั้นนิดนึงซึ่งเขาหล่า น, นั้นไม่มีเลยอันนี้คือคนแต่พระคือคนทีนี้ถ้าใครมีครบ ฮาคอหนึ่งทุกเลยเราจึงเรียกคนนั้นว่ามนุษย์มันนะอุตส่าห์ไปปัจจัยสูงกว่าอะไรสูงกว่าคนสูงกว่าศัพท์หมายถึงสภาวะจิตใจไม่คือมนุษย์สูงกว่ามนุษย์ก็เป็นพระแต่นั้นบอกว่าพระเนี่ยมันสูงกว่ามนุษย์ทันทีเลยนะโดยพฤติกรรมของเรานอ่าว่ะพระภาษาศีล น, นะยกจากคธนธรรมดาที่สูบว่าเป็นมนุษย์ทันทีเลย เห็นมัไหมในอานิสงถ้าเราเข้าใจอย่านี้ยเห็นเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์อย่างนี้โอ้มันจะมีคุณค่าอย่างมากเลยยังไงกายกายว่าพิธิกรรมพฤธิเกินไปไปไหนก็จะเป็นอย่างนี้หลังจากไหวพระรับศีลเสร็จคุยกันไปรักะาเทศกันไปมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเหมือนเราวันนี้มางานคุณแม่เห็นได้ดูตัวอย่างว่าคุณแม่เมื่อก่อนก็บ่นเรานนั้ มีทุกอย่างแล้วตอนนี้แม้แต่ธาตุทั้งสี่ก็ยังไม่ครบรูปที่มีอยู่ก็ยังไม่ครบส่วนานามไม่ได้พูดถึงแล้วแม้เจะพูยกเราสอนเรื่องอย่างนี้ความคิดการพูดการกระทํามันเกี่ยวข้องกับรูปกับนามสองเรื่องแค่นี้หลังจกนัก็คือสอนให้พระสอนให้บอยสุขแก่เราแ ล, แล้วเข้าใจสองเรื่องแค่นี้คือรูปร่างกายของเราเขาเรียกว่ารูป หนึ่งเรีวยกว่านา้ำรูปก็คือดินน้ำไฟลมเอนคุณแม่ตอนนี้ถ้าเรียงตันดาปก็คือดินดินเสร็จแล้วก็น้ำน้ำเสร็จแล้วก็ไฟไฟก็ลมนี่คือกระบวนการของขั้นแต่เวลาเกิดเนี่ยลมจะเกิดขั้งสุดท้ายหมายว่านะขยัน อ, อยู่ในท้องนะอาศัยทักแม่อยู่ลมหายใจอาศัยแม่แต่ออกมาแล้วพึ่งขาดแรงดัน คือหายใจด้วยอารมณ์หรือว่าอากาศแต่เวลาไปอากาศมันไปก่อนคือลมหายใจเข้าหายใจออกมันไปก่อนที่เหลือที่เหลือดินน้ำที่เหลือให่ผุพังตามกาลเวล า, าไปถ้าไปดักพนักคนตายจึงเย็นเก็ไม่มีไฟือไม่มีอธาตุไฟ อันนี้นั่นคือภาพรวมเก่ยกัคนกีับมนุษย์เรี่ยว่ารูปทีนี้เราเป็นม้งกับรูปอันนี้มาลานตลอดจากคุณแม่ น, นะก็อยู่กันถึงเจ็ดสิบสี่ปีนี่คือรูปแล้วนามอ่ะนามสีต่ตัวคือเวทน า, าที่ยาสักายอนยันมันไม่ตายนามคืออะไรนามคือจิตรูปมันคือกายกายมันมันเคยสลายไปตามกาลเวลาแต่จิตมันไม่เคยตาย ถ้าเรานับพศอเมื่อกี้นับปศดูสอบพันละหกปีแปลว่าโอเคประวัติศาสตร์ศาสนานจิตของเราเด็กท่องเที่ยวอยู่ในวัตตะเนี่ยสองพันกว่าปีมาแล้วทิ่นั่งนั่งอยู่เนี่ยไม่ใช่เด็กนะถ้าโดยสภาวะจิตมันไม่ได้เป็นเด็กเราเป็นเท่าทาราโกจิตเระท่องเที่ยวยในวัดสองพันกว่าปีมาแล้วไปกลับมาวนไปเวียนมาอย่างนี้เอาเรื่องเาวัตตะ วนเหมือนอะไรวนเหมือนสามอย่างที่พาจารย์เล่นนี่นคือวนเรื่องความคิดวนคําพูดวนการกระทำสามอย่างนั่นะจึงออกมาเป็นกรรมเร็วกิเลสกรรมมีบาอันนั้นเป็นตำราเรื่อเข้าใจยากวัฏฏะแท้จริงคืออนนี้แหละทําให้เราวนไปเวนมาอยู่นั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเข้าใจเรื่องวันนี้หรือว่จัด ก, การเรื่อง น, นี้ได้ก็คือดู ศึกษาระบบความคิดของตัเองนะพระสภะเสีพเยพระเขาท่านจะบอกแล้วไม่แเป็นภาษาบาลีเป็นาศีดาได้ฉะนั้นทําเดือมีบอกให้เทศก่อนพระอาเทศก่อนให้พูดก่อนอแล้วค่อยสวดทีหลังพอสวดยังไงก็ไม่เข้าใจเดี๋ยพระ ก, ก็จะสวดพระกุูลาธรรมาครูชลาธรรมาอัพยาคดรมาเป็นต้นก็อันนี้คือลักษณะของคนที่เป็นคนเป็นมนุษย์มันมีแค่นี้คือหนึ่ง กุศลธรรมมาคือทำดีคิดดีพูดดีทำดีกุศลธรรมมาอากุศลธรรมมาถ้ามันไม่คิดไม่พูดีมันก็ตรกันข้ามกับอกุศลธรรมมาคิดก็ไม่ดีพูดก็ไม่ดีทำก็ไม่ดีแต่ผลมันต่างกันผลสองอย่างมันต่างกันแต่ตัวที่สามคืออาพยากตาธรรมมาตัวเป็นกลางนั่นแหละคือใจ เพราะน้นใจเราจริงๆถ้าเราศึกษาเราปฏิบัติจริงๆแล้วใจของเราไม่ได้บุญไม่ได้บาปมันไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์เกิดเรื่องสุขมันอยู่ในใจเรียกว่าสุขใจทุกข์อยู่ในใจเรียกว่าทุกข์ใจเพราะใจในมันเอาทั้งสองอย่างมันเป็นเพื่อนทงอย่างแต่ถ้าใจเป็นกลางจริงคือไม่สุขไม่ทุกข์คือเปรียวขะเปรขาเปรียววางว่างอะไรคือวางสุขวางทุกข์อันนั้นได้ วางอารมณ์ได้ดังนั้นการปฏิบัติของเราต้องการให้จิตของเราเข้าใจทั้งสุขและทุกข์และก็วางว่าอันนี้แหละเครื่องมือที่จะพาเราไปคือในบุญกับในบาปนี่แหละเหมือนคุณแม่ตอนนี้ไม่เกี่ยวกับรูปอันนี้แล้วนามนี่ยังจิพาไปถามว่าเจ็สิบสี่ปีที่ผ่านมามาอยู่กับบุญหรืออยู่กับบาปผูดง่ายๆคือทําบุญแล้นบาปมากกว่ากัน อันนั้นเป็นเรื่องของคิดพื้นฐานธรรมดาเลยทําบุญมากไปดีคือได้ดีอย่างพู ด, ดง่ายๆแต่ทําไม่ดีมันไปทางไม่ดีนี่เป็นเรื่องธรรมดาเป็นกันยุติธรรมที่สุดเพราะนั้นวันนี้เราออมาในงานศพของคุณแม่อันนี้ก็ขอให้เราได้ได้เห็นสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าถ้าจะบอกว่าดวงตาเห็นธรรมมันก็จะมันจะสูงไปแต่ถ้าเรา มองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้คือไม่เข้าใจสิ่งนีง้สุดท้ายมันก็ได้แค่พฤติกรรมจนกลายเป็นพฤติเกินกเกินจนจนไม่รู้มันทําเพื่ออะไรแต่เช่นเข้ามาเดี๋ยวมาเข้ามาจุดเดี๋ยวสักพักเทียนเนะี่ยสรุปว่าวันนี้เราจุดสามรอบจุดครั้งแรกด้านน้ใจครั้งที่สองครั้งที่สามเพื่อให้เราเห็นสมครั้งเนี่ย ถามว่าเราเห็นเราได้อะไรม้างครั้งที่หนึ่งอันนั้นไม่เห็นอะไรใช่ปะครั้งที่สองครั้งที่สามก็เจะเหมอือนกันเนี้ยแต่ว่าเราเรามองไม่เห็นว่าลึกๆที่มันซ่อนเอาไว้อันคืออะไรเพราะฉะนั้นทีเจดมันเริ่มบอกเราแล้วชีวิตเราเริ่มสั้นแล้วเหมือนกับพวกเราเพราะ น, นวันหนึ่งตัวนี้มันก็คือเรื่องดับแต่คนเราเรียกว่าตาย ตายหมายคว่าธาตุทั้งสี่มันอยู่ไม่ได้แต่ตัวที่มันจิตที่มันคลองล่างเหมือนพวกเราตอนนี้ออกจากบ้านบ้านเราต้องคือร่างกายไอ้ตัวเราคือจิตต้นแต่ถ้าตอนนี้เราไม่กลับเข้าไปบ้านอีกมันก็เป็นบ้านร้างกลายเป็นบ้านร้างกลายรอวันเวลาที่ปูพังไปตามกาลเวลาแล้วเราคนมันต้องไปต่อตอนนี้คนไปต่อในกระเป๋าไม่มีอะไรเลยคือไม่มีต้นทุน มีต้นทุนจะเกิดอะไรขึ้นเราโชคดีกับคนที่เอิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์เขาเถอเป็นบุคคลที่มีต้นทุนต้นทุนดีนะถ้าต้นทุนไม่ดีเกิดมามีเหมือนเราทุกอย่างแขนขาตาจมูกกินกรามเกล็ดมีทุกอย่างแต่พัฒนาอะไรไม่ได้อะ น, นั้นก็ต้นทุนมันต่าเพราะอะไร ว่าสินสินนี่มีสองตัวเลยเพราะนั้นอยากเน้นย้ำพวกเราสิ น, น, นคือการรักษากายวาจาเมื่อกี้ก็บอกว่าเจตนาคือตัวที่สามที่พระ บ, บอกว่ามาอยู่ที่เจตนาอยู่ที่ไหนก็เป็นศินได้อยู่ที่บ้านก็เป็นศินได้ไม่จะเป็นตะเไปขอกับพระพราะขอกับพระเดี๋ยวก็าโกหกละโมซายละเพราะมันไม่ครบ อันนี้เราเจตนาเลยวันนี้สมมติว่าเราจะเอาสองข้อสามข้อให้เป็นอาจริงให้เป็นนิสัยอะไรก็ได้ที่เราทําได้แต่ยังไงก็ควายมีสินเพราะใดคนหนึ่งต้องมีศินวันนี้จะออกจากบ้านหรือก่อนหลับก่อนนอนทบทวนทบทวนศิน ต, ตัวเองวันนี้เรื่องกายเรื่องวาจาเรื่องใจตรงไหนที่มันเป็นบวกเป็นลบหรือคิดดีคิดไม่ดีคือปุลสาอกุศลาเนี่ยแหละมีอะไรบ้าง ถ้าจะได้เห็นตัวเราเองคือเห็นความผิดพลาดเอาตัวนี้เราพาดไปแล้วเราคิดพลาไปก็ะ ร, ะ, ร, ม ร, รมะมัดระวังหรือสรวมผัสเแล้วสัมผัสก็ระมัดระวังคำพูดเอ้ยวันนี้เราพูดไมดีกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนลูกน้อน ง, งอื่นผู้ชายจับขายมันทีอาจจะไม่ต่างใช้อารมณ์ัพวกนี้เรียกว่ารวมรมัดระวังไปเรียกว่าตั้งให้เรอเจตนาเจตนาว่า เ, าา อ, าเออต่อไปผู้ที่เราจะพยายามจะไม่เกิดขึ้นการกระทําเหมือนกัน ยาี้เป็นต้นอันนี้คือศีลเป็นศีลทันทีเลยโดยไม่ต้องไปขอกับพระนี่คือศีลคือแค่รักษากายยาตัวเองปกติโดยไม่ต้องไปขอกับพระนั่งหลับหงหลางเมื่อไหร่เป็นศีลทันทีเลยที่ทางปฏิบัติอย่างนั้นแล้วถ้ามารอ ว, รอ ว, าวาร่าต้องเข้าวัดฟังคำมจำํมศีลภาวนาเตรียมคนมีศีลแล้วเมื่อไหร่เจ็วันยังไม่เคยเข้าวัดเลยแสดง ว, ว่าทําอะไรไม่ได้เลยเราเข้าใจอย่างนี้กันมานานกระจายศีลก็ต้องขอกับพระ ไม่ใช่เนียเราเข้อจะเป็ไงเพราะว่าอะไรวิธีคิดนะครับกลับไปที่เดิม อ, อ, อีกที่มีอิทธิพลเป็นเนี่ยเพราะว่าวิธีคิดเราคิดไม่ถูกคิ ด, ดอยู่างนี้ไปคิดความสูงที่พูดทีรร่จะทำกลายเป็นกรรมเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาของเราจริงๆล้วสอนธรรมดาสอนพื้นๆแต่ว่าละเอียดมันไม่ใช่ละเอียดธรรมดาย้อนไปถึงอดีตมองไปถึงอนาคตแล้วก็อยู่ที่ปัจจุบันนันจะเป็นที่บอ เพราะนั้นวันนี้เรามาร่วมงานของคุณแม่เพื่อหนึ่งก็คือแสดงความไว้อะไรในการแจกไปกับคุณแม่ให้ญาติคือมาแล้วก็ให้รับประโยชน์คือสาระคือแก่นจริงๆว่าแต่วันนี้พระอย่างน้อยที่สุดคือจำสักเรื่องสองเรื่องสักอย่างสองอย่างเพื่อไปเป็นแนวแนวคิดเป็นแนว น, นึกแนว ป, ป, ปฏิบัติอันนี้คือการปฏิบัติทำแล้ว มันไม่จำเป็นต้องเป็นรลับหูหลับตาที่ไหนก็ได้ที่บ้ากลับตาได้จริงๆการปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นต้องลับตาลืมตาก็าคุณปฏิบัติธรรมได้ความที่เรายังไม่เข้าใจในสิ่งเหล่านี้เด็กไปว่ารอโอกาสรอเวลาเราจึงเสียโอกาสสุดท้ายโอกาสทั้งหมดอย่างคุณแม่เจดสิบสีปีก็ผุดไปมาเหลืออะไรเหลือแต่ความดีความไม่ดีซึ่งมันมีอยู่แล้ว ในดวงจิตของท่านนั้นจะไปต่อข้างหน้าหรือที่อะไรมันเยีะกว่ากันเหมือนกับผู้เราแต่พู้เราโชคดีตรงที่ยังมีโอกาสแก้ตัวสอนของครูแม่นมีโอกาสแก้ตัวแล้วนะเราถือว่าโชคดีมากๆเลยโดยเพราะอที่ได้ฟังสาระที่เป็นพุทธพจน์พุทธธรรมที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง ดีก็ไปฟังเทศตลกโภคาอะไรก็ไม่รู้ฟังอะไรก็ฟังแล้วกั น, กนไปไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้สาระอันนี้ศึกสาระสารําหรับฝากของเรานะครับคืนวันนี้ง น, น ง, งานสงคของคุณแม่เส่อมหัวแท้จูผูลงรับไปแล้วสภาพแบบนี้ได้แก่โอ่งยันจังเกิลโคตรจังเกิลคุ ป, ปนักญาันพี่น้องลูกแลานทุกคนเพื่อ เป็นเจตนารมุทิศส่นั่นแหลแก่กคุณแม่คูณลงอับแต่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่พุทธเจตรัสสามอย่างคือสิ่งสมาธิปัญญานี้ก็คืออย่างที่เอารับไปแล้วกายปาจาตอนนี้เรามีสิ่งแล้วนะมีสิลแล้วแปลว่าอะไรตอนนี้เป็นมนุษย์แล้วนะตอนนี้เป็นมนุษย์ดยวนหนึ่ไม่รู้ออกไปเป็นยังไงไม่รู้ตอนนี้มนุษย์แล้วสมาธิคือต่อมมันคงจดจ่อฟังตั้งใจฟัง นี่คือสมาธิบนต้นไม่ถึงการสงบตัว ม, มรู้เรื่องรู้ลาวปัญญาคือคิดได้ด้วยตัวเองเนาะอะไรที่มันเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ถ้าทาหน้ามันควรจะเป็นอย่างนี้นี่เรียกว่าปัญญาเรียกว่ญญาใจสิกข า, ญญาวันนี้ใจสิกขาคือศิลสมาธิปัญญาเราได้มาเป็นพร้อมแล้วอันนี้เราจะเป็นพลัวะเป็นปัจจัยหนุนนําส่งเป็น กูโซนเราทำเป็นแก่คูแม่ตัวกองเราไปแล้วนอกจากนั้นนะก็เป็นตกอยู่ที่พวกเราสิ่งเหล่านี้ก็เป็นดีพวกเราถ้าเราทําถ้าเราทํำมาก็ลงมือทําำพูดมาแล้วบอกก็เป็นสูตรมันได้มือนฟังอาหารเหมือนเป็นสูตรเป็นสูตรเสร็จแล้วก็ต้องไปปรุงไปปรุงปรุงเสร็จแล้วต้องกินด้วยนะคือได้รสรสอนัน จริงๆรถแห่งพระธรรมพ่านั้นเป็นสูตรอย่าไปจำแค่เป็นสูตรเอาไปปรุงคือลงปฏิบัติแล้วได้ผลแห่งการปฏิบัติน่ะคือรถแห่งธรมรมอีกขอลัตลาได้มีความสุขความเจริญได้พบกับรถแห่งพระธรรมอย่างแท้จริงทุกคนทุกท่านเพลิน